ทำไมมีเรื่องข่าวขาวหญิงต้องเป็นฝ่ายเสียหายถามการร่วมเพศต้องอาศัยทั้งสองเพศมาประกอบกันแต่ทำไมเมื่อเกิดเรื่องเฉาผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายเสียหายหรือถูกด่ามากกว่าฝ่ายชายทั้งที่ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีทางเกิดเรื่องตอบโดยธรรมชาติ อวัยวะเพศหญิงเป็นของสงวนเป็นจุดสรุปที่สุดของความเป็นหญิงกล่าวถึงความสำคัญคือเป็นช่องทางออกมาสู่โลกของสัตว์มีบุญเช่นมนุษย์กล่าวถึงการชดใช้กรรมคือเป็นช่องทางของความเจ็บปวดขณะคลอดหรือขณะมีเลือดประจำเดือนกล่าวโดวยความรับผิดชอบคือเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดและปกปิดให้มิชิดเหนืออวัยวะอื่นใด กล่าวโดยความเบิ่เทิงก็เป็นชิ้นเนื้อหน้าติดใจซึ่งให้ความห่อหรืหที่สุดทั้งสำหรับเจ้าตัวกับคู่หลับนอนและกล่าวโดยความเป็นโทษก็คือประตูสู่ความตกตำ่ำที่มีแรงดึงดูดเกินกว่าพลังจากอบายใดๆโดยสัญชาตญาณหรือสามัญสำนึกปกติแล้วส่วนสงวนที่สุดจะเปิดเผยได้ ก็เฉพาะสายตาของคู่ครองที่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันอย่างถูกต้องธรรมชาติจะให้อย่างอายไวะระดับหนึ่งแต่ถ้าเปิดเผยมากๆกลายเป็นอะไรที่ถูกเผาด้วยสายตาหื่นกระหายจากชายมากหน้าหลายตาอย่างอายก็เหือดหายไปจนสิน้นอย่างที่เรียกกันว่ากลายเป็นคนกล้าโลกไป สรุปคือชัดเจนว่าธรรมชาติยัดเยียดหน้าที่รับผิดชอบปกปิดและป้องกันการลุกล้ำให้ฝ่ายหญิงขณะเดียวกันก็เล่นตลกให้ฝ่ายหญิงมีกําลังน้อยกว่าฝ่ายชายผู้หญิงอาจไม่ต้องยินยอมก็เกิดเรื่องทางเพศได้ผู้หญิงจึงได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายเสียหายส่วนที่เป็นเรื่องเฉา เป็นข่าวติดขี้ปากชาวบ้านมากกว่าผู้ชายก็เพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าถูกเพ่งโทษมากกว่าค่าที่ต้องรับผิดชอบแต่รับผิดชอบไม่ได้และกิเลสจะบันดาลให้ชาวบ้านร้านตลาดเกิดความสะใจในส่วนลึกเมื่อรู้ว่าลูกสาวใครตกเป็นของชายแปลกหน้าที่ยังไม่ทาพิธีแต่งงานกันยิ่งสวยยิ่งเก่ง หรือยิ่งมีเสน่ห์เท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องเร่งความสะใจมากขึ้นเท่านั้นสำหรับฝ่ายชายนั้นธรรมชาติจะเล่นตลกโดยใช้อีกวิธีหนึ่งครับคือทําให้เห็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังเสร็จก็จบไม่มีอะไรติดตัวไม่มีมวลทินตกค้างไม่มีกระทั่งความเสี่ยงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเด็กจึงเหมือนเครื่องยั่วยุให้ติดใจ อยากทำอีกเรื่อยๆแต่ขอให้สังเกตเถอะผู้ชายถูกกำหนดให้ออกแรงยิ่งคุณเหนื่อยเท่าไรหมกมุ่นกับการตรวเวนแสวงการบ่อยเพียงไหนทั้งร่างกายและจิตใจของคุณก็จะยิ่งอ่อนแอลงไปทุกทีแล้วความอ่อนแอทางเพศนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะของเพศหญิงหรือเพศชาย นี่คือความจริงชายที่หมกมุ่นทางเพศมากมากเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบตามธรรมชาติของเขาเกิดใหม่เขาจะต้องเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์คือได้เป็นหญิงบ้างต้องรู้รสของการเสี่ยงตั้งท้องบ้างสลับกันจากที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบก็ได้รู้ว่าภาวะจําต้องรับผิดชอบเป็นอย่างไร ผู้ชายบางคนยังไม่ทันตายมกมุ่นทางเพศมากๆเข้าก็ชักแอบๆได้นะครับและเป็นชายที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศก็ย่อมก่อความรู้สึกแย่ให้ตนเองมากกว่าผู้หญิงที่ผิดปกติในเรื่องพันนี้เห็นหรื อ, อยังว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่จะเป็นทุกข์ไปคนละแบบอย่ามัวเกี่ยงอยู่เลยว่ายุติธรรมมากน้อยแค่ไหน เอาเป็นร่วมมือร่วมใจทำเรื่องทางเพศให้ถูกต้องกันดีกว่าโลกเราแย่เต็มทนก็เพราะปัญหาหลักคือความมั่วไม่รู้เรื่องความไม่เชื่อบาปอันแดงขึ้นมาจากเรื่องเพศนี่เองครับ